รวมสิกขาบทที่มีในราชวัชหนึ 1. อันเตปุระสิกขาบทว่าด้วยการเข้าเขตพระราชฐานชั้นในสองรัตนสิกขาบทว่าด้วยการเก็บรัตนะที่เจ้าของลืมไว้ 3. วิกาลคามะเปะเวสนะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าบ้านในเวลาวิกาล 4. สูจิคระสิกขาบท ว่าด้วยการทำกล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้น 5. มันจะปีทะสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงและต่าง 6. ตูโลนทะสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงและต่างหุ้มนุ่น 7. นิสีธนะสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้ารองนั่ง 8. กันดุปติจฉาทิสิกขาบท ว่าด้วยการทำผ้าปิดฝีเก้าวั ส, สิกะสาติกาสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าอาบน้ำฝนสิบนันทะสิกขาบทว่าด้วยท่านพระนันทปาจิตตี92ิบสิกขาบทจบ ขุททะศิขฐาบทจบบริบูรณ์